วันนี้ออดมินมีเรื่องราวจากคุณน้ำฝนมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งประสบการณ์ที่คุณน้ำฝนได้แบ่งปันเข้ า, านี้มันเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่ได้เกิดขึ้นกับตัวของเธอและเพื่อนของเธอเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับวิญญาณที่รอคอย เจ้ากรรมนายเวรจากอดีตชาติสมภัสสยย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2558ตอนนั้นเราอายุได้18ปีและพึงจะสอบติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางบ้านของเราก็พอมีฐานะอยู่บางก็เลยคิดว่าจะไปเช่าบ้านอยู่ไม่พักหอในเหมือนกับคนอื่นๆแต่เราไม่ได้พักคนเดียวเพราะเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งมาพักอยู่ด้วยเพื่อนคนนี้เธอชื่อแต่มแต่มเป็นคนร่าเริงชอบร้องเพลงขนาดเข้าห้องน้ำนั่งปลดทุกข์อยู่มันยังร้องเพลงได้เลยวันนั้น เป็นวันแรกที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านผักซึ่งบ้านหลังนี้เราหามาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งแล้วก็ได้ติดต่อเจ้าของเพื่อที่จะเช่าอยู่กันสองคนกับเพื่อนบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ส่วนชั้นล่างเป็นปูนมีสองห้องนอนและสองห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำที่อยู่ในตัวบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีอยู่สองห้องแต่เราทั้งสองก็นอนห้องเดียวกันในช่วงเชา้าที่เราสองคนกับเพื่อนขนของเข้ามาก็เดินเล่นสำรวจภายในบ้านว่าจะนอนห้องไหนทุกอย่างมันก็ปกติดีพราะเลือกห้องได้แล้วก็เริ่มจัดของภายในห้องทําความสะอาดห้องและบริเวณโดยรอบกว่าจะเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นก็ดึกแล้ว เมื่อทำทุกอย่างเสร็จพวกเราก็แยกย้ายกันไปอาบน้าคนละห้องแต่มาอาบน้าใกล้กับห้องนอนของพวกเราส่วนเราก็ไปอาบน้าอีกชั้นหนึ่งในระหว่างที่อาบน้ำอยู่เราก็ได้ยินเสียงเต็มร้องเพลงอย่างมีความสุขเหมือนกับทุกๆครั้งเพลงที่แตมร้องนั้นเป็นเพลงหนุ่มนาคาวสาวนาเกลือซึ่งเป็นเพลงคู่ชายหญิง แต่มันก็ร้องคนเดียวนั่นแหละเราไม่เอากับมันด้วยหรอกแต้มก็ร้องเพลงไปเรื่อยทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีแต่เชื่อไหมว่าท่อนที่เป็นเสียงผู้ชายร้องมันมีเสียงผู้ชายเพิ่มขึ้นมาปนกับเสียงของแต้มมันด้วยตอนแรกเราคิดว่ามันคงเปิดเพลงไปด้วยร้องไปด้วยจึงไม่ได้สนใจอะไรเราอาบน้ำได้อีกสักผัก ก็ออกจากห้องน้ำมาก่อนแต้มแล้วเราก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเพราะห้องของเราที่เพิ่งจัดของเสร็จของในห้องมันกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเหมือนกับถูกหรือคนเราตกใจมากคิดว่ามีโจรบุกเข้ามาภายในห้องจึงเรียบเรียกให้แต่มออกมาแล้วเราก็เรียบสำรวจประตูหน้าต่าง มันก็ลอกและปิดสนิทดีไม่มีอะไรผิดปกติเมื่อตรวจดูสิ่งของภายในห้องก็เห็นว่าทุกอย่างอยู่ครบไม่มีอะไรหายไปเลยเราแปลกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเองแต่มก็ออกมาจากห้องน้ำแต่มันมีท่าทางแปลกๆเพราะแต่มมันยืนนิ่งหน้าตาซีดเผือด เราจึงเดินเข้าไปหามันแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ยังทาหน้านิ่งไม่มีการตอบรับใดๆเราจับแขนมันเขยา่าเรียกซ้ำอีกครั้งแตมแตมแตมแกได้สติหน่อยสักผักแตมก็รู้สึกตัวแล้วมันก็บอกให้เราเรีบแต่งตัวออกไปตลาดกันเราไม่ได้ถามอะไรมันต่อ รีบแต่งตัวแล้วก็ออกไปตลาดด้วยกันในระหว่างที่เดินตลาดกันอยู่นั้นแต่มก็เริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องให้เราฟังมันบอกว่าตอนที่น้ำฝนเรียกแต่มออกมาจากห้องน้เพอมันออกมาก็เห็นวิญญาณตนหนึ่งกำลังยืนอยู่ด้านหน้าของน้ำฝนแล้ววิญญาณตนนั้นก็หันมาทางแต่มพูดบอกกับแตมว่า เพื่อนเธอคนนี้เราหอนะเพราะแต้มได้ยินก็ตกใจมากนลุกไปทั้งตัวในขณะที่แต้มกําลังจะตอบว่าไม่ได้วิญญาณที่อยู่ตรงนั้นก็เคลื่อนเข้ามาเหมือนกับควันแล้วยืนหยุดตรงหน้าของแต้มเอามือมาปิดปากแต้มไว้ตอนนั้นแต้มกลัวมากจนช็อกไปเลยพอน้าฝนเดินเข้ามา วิญญาณตนนั้นก็หายไปแล้วแตมก็มีอาการอย่างที่น้ำฝนเห็นนั่นแหละเราซึ่งเป็นคนที่ดื้ออยู่แล้วจึงไม่กลัวสักเท่าไหร่ก็เลยบอกกับแตมไปว่าไม่มีอะไรหรอกไว้ค่อยไปทำบุญให้เขาแต่ในใจตอนนั้นเราก็คิดว่าแน่จริงทำไมไม่มาหาน้ำฝนเองทำไมต้องมาทำให้เพื่อนเรากลัวด้วย เราก็คิดไปเรื่อยๆจนเดินกลับมาถึงบ้านพักแล้วก็นำน้ำแดงกับสมที่ซื้อมาจากตลาดเอาไปไหว้เจ้าที่ที่ศาล น, นาบ้านพร้อมกับนึกอยู่ในใจบอกกับเจ้าที่ว่าผีตัวที่ทำให้เพื่อนน้าฝนกลัวน่ะเจ้าที่ต้องจัดการเอาตัวมาคุยกับฝนให้รู้เรื่องนะคะหลังจากที่ไหวและบอกกล่าวเจ้าที่เสร็จก็กลับเข้าบ้าน กินอาหารกันแล้วก็นั่งเล่นคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนถึงเวลาเข้านอนคนนิสานอย่างเราก็ไม่ลืมสิ่งที่พ่อแม่เคยสอนเรามาให้ไหว้พระก่อนนอนแต่ในขณะที่กำลังไหว้พระอยู่นั้นก็มีเสียงผู้ชายกระสิบเข้ามาที่ข้างหูบอกว่าเรารอเธอมานานมากแล้วไม่ต้องไหว้พระหรอกเสียเวลา เสียงนั้นฟังดูเยือกเย็นจนหน้าขนลุกแต่เราก็พยายามไม่สนใจว่พระต่อจนเสร็จจากนั้นพวกเราก็เข้านอนพอนอนไปได้สักพักเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังฝันอยู่เราเห็นสภาพบ้านที่เราอยู่ในตอนนั้นเปลี่ยนเป็นบ้านที่กำลังจะจัดงานอะไรสักอย่างแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราถํว่า จะลงไปได้หรื อ, อยังพิธีกำลังจะเริ่มแล้วนะจากนั้นชายคนนั้นก็มานั่งข้างๆเราเล่าพูดว่าชาติก่อนเราเคยเป็นคนรักกันแต่พ่อกับแม่ของเธอไม่ยอมรับเราเธอเองก็เช่นกันเพราะเชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่บอกเราจึงตัดสินใจเอามีดที่พกมาแทงไปที่ท้องของเธอสามสี่ครั้งจนเธอหมดสติไป เราคิดว่าเธอตายแล้วก็เลยฆ่าตัวตายตามแต่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแผลที่เธอโดนแทงมันกลับไม่โดนจุดสําคัญเธอก็เลยรอดตายมาได้ส่วนเรานั้นตายไปแล้วได้แต่เฝ้ามองดูเธอมาโดยตลอดรอมานานมากจนมาถึงชาตินี้ที่เธอกลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เราจะเอาเธอไปอยู่ด้วยให้ได้ น้ำฝนรีบตอบกลับไปว่าน้ำฝนเป็นคนพี่เป็นผียังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไว้น้ำฝนจะทำบุญไปให้เราอย่ามาจองเวรกันเลยนะคะแล้วใบหน้าของเขาและน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปพร้อมกับบ้านที่ดูเหมือนกำลังจะมีงานเรื่นเริงก็เปลี่ยนเป็นบ้านที่มีสภาพเก่าชายคนนั้นหน้าตาจากที่เป็นปกติ ก็เริ่มซีดลงและปรากฏรอยแพ้ขนาดใหญ่ที่ลำคอแล้วเขาก็พูดได้เสียงที่ใหญ่ทุมแหบแหง้งและเย็นเยือบอกกับเราว่ากูไม่เอาบุญกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเราตกใจตะโกนเรียกเพื่อนในขณะที่เรากำลังอยู่ในท่านอนแอมที่นอนอยู่ข้างๆก็สะดุ้งลุกขึ้นมา แล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปวันรุ่งขึ้นน้ำฝนก็โทรหาแม่แล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังพ่อแม่ได้ฟังก็บอกให้น้ำฝนต้องไปหาคนช่วยแล้วแม่ก็ให้เบอร์โทรติดต่อกับคุณยายท่านหนึ่งที่เป็นร่างทรงเราจึงเดินทางไปในวันนั้นเลยซึ่งเราขอไม่เอ่ยถึงสถานที่นี้ว่าที่ที่เราไปนั้นเป็นที่ไหน พอเราเดินทางไปถึงคุณยายร่างทรงก็ตะโกนด่าขึ้นพูดว่ามึงตามเขามาทําไมฝนกับแตมตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะในบ้านร่างทร ง, งลังเล็กๆเก่าๆหลังนั้นมีคุณยายคนนั้นอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็มีเรากับแตมที่เพิ่งจะมาถึงเราจึงถามกลับไปว่ายายว่าใครล่ะคะยายจึงต่อ ก็ว่าผีน่ะสิมันตามพวกหนูมาเราตกใจกับสิ่งที่ยายบอกแล้วยายคนนั้นก็พูดต่อว่าผีผู้ชายนะ่ะมันเกอะหลังหนูมาตลอดเลยรู้ไหมแต่โชคยังดีที่หนูยังมีบุญคุ้มครองอยู่มากมันก็เลยทำอะไรหนูไม่ได้จากนั้นเราก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ยายท่านฟังแต่ยายกลับบอกว่า ช่วยอะไรไม่ได้มากนักหรอกทาได้เพียงแค่ให้วิญญาณตนนั้นเข้าใกล้หนูทั้งสองคนไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรและรอคอยมานานแล้วนอกเสียจักว่าเขาจะยอมตัดใจแล้วจากไปเองยายช่วยอะไรไม่ได้แล้วยายก็บอกว่าให้เราไปทำบุญขออโหสิกรรมต่อเขาไปตลอด เพื่อว่าวันหนึ่งเขาอาจจะตัดใจได้จากนั้นยายร่างส่งก็ทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วนำอะไรก็ไม่รู้มาให้กับเราและบอกให้พกติดตัวไว้โดยตลอดเราทั้งสองคนออกมาจากบ้านของยายตอนนั้นก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าแล้วเราเรีบขับรถกลับมายังบ้านพักกับเพื่อนแต่ระหว่างทางกลับ ก็เห็นผู้ชายคนนั้นยืนมองฝนกับแตมอยู่ข้างทางเพราะขับผ่านไปก็เห็นชายคนนั้นยืนอยู่ที่ข้างทางอีกแล้วก็เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดทางจนถึงบ้านพักหลังจากนั้นเราทั้งสองก็ไม่เคยเห็นชายคนนั้นอีกเลยแต่น้ำฝนก็ทำบุญให้กับเขาตลอดทุกๆครั้งที่ไปวัดจนถึงทุกวันนี้ พัดสยอง